อาจารย์พรรัตนสุวรรณเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยายลัยสงฆ์ของไทยท่านแตกชานทั้งด้านปริยัติและการปฏิบัติกรรมฐานเป็นผู้แปลและชำระอัถกถาและดีกาเจบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยายลัยผู้ก่อตั้งสานักค้นคว้าทางวิญญาณและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สนซึ่งเป็นสถานที่สาคัญในการฝึกอบรมสมาธิวิปัสนาให้กับพระนิสิตของมหาจุฬา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 สำรวจความฝันมาพัฒนาตนเองความฝันในยามหลับอาสะท้อนความฝันที่มีสมใจยามตื่นอาสะท้อนความคาใจกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาสะท้อนความเห็นแก่ตัวดิบๆอาสะท้อนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาสะท้อนบาปบุญที่ทำไปอาสะท้อนกระทั่งสมถะและวิปัสสนาที่ทำอยู่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 เป็นตัวอย่างสภาวะสมถะและวิปัสนาที่ถูกเป็นกระทั่งตัวลวงให้หลงยึดสภาวะสมถะและวิปัสนาผิดผิดท่าทีแบบพุทธที่จะใช้ประโยชน์จากความฝันคือการสำรวจความฝันมาพัฒนาตนเองตัวอย่างผู้ได้ประโยชน์จากความฝันมีอยู่เช่นที่พระอสุภะได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุด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 นันอาจเป็นนิมิตมาเตือนว่าเคยร่วมบุญร่วมกุศลมาด้วยกันเยอะทําไมต้องทะเลาะเบาะแวงก่อบาปก่อกุศลให้กันและกันด้วยเล่าขอให้สังเกตุว่าคู่รักมักไม่ฝันทํานองนี้เวลาดีๆกันแต่ดันไปฝันเอาตอนกําลังตีกันจะตายเส้ น, นั่นถ้าฝันว่าตัวเองนัดใครหรือใกล้จะสอบวิชายากแต่กลับถลายประมาททำโน่นทํานี่ไปเรื่อย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 ทุกคนก็ยินดีที่จะเผชิญหน้าความตายเพราะความตายเท่านั้นเป็นวิธีสุดท้ายที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนเราได้อย่างดีที่สุดความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเว้นไว้แต่ว่าจะเป็นความตายในความชั่วและก่อนที่จะตายเรายังไม่ได้กลับใจเป็นคนดียังไม่ได้ตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะประพฤติความดีตายลงไปทั้งๆ ท, ท, ที่จิตใจยังอยู่ในความชั่ว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 มีถนนหนทางและมีอะไรอีกมากมายซึ่งทุกอย่างล้วนแต่เกิดจากจิตใจของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆปังดูลาเป็นเรื่องเหลือเชื่อที่สุดและทฤษฎีดังที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าก็ชี้ให้เห็นอยู่เสมอว่าเรื่องราวต่างๆที่ปรากฏในความฝันซึ่งเรารู้แน่ว่าทุกอย่างเกิดจากใจนั้นถ้าหากอำนาจจิตที่สร้างสารรค์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในความฝันมีพลังสูงได้มาตรฐานแล้ว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 จะต้องยอมรับว่าสภาพสิ่งแวดล้อมในโลกของโอปปปาติกะก็มีเหมือนเมือนกับในโลกมนุษย์และจะต้องยอมรับว่าเรื่องอภิญญาต่างๆในพุทธศาสนาเป็นความจริงต้องมีความรู้ในเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึง้งและต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยจึงจะช่วยให้เข้าใจถึงทฤษฎีและปรากฏการณ์ความฝันอันหนึ่งข้าพเจ้าขอให้ความเห็นอีกสักอย่างหนึ่งว่า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 หมายเหตุผู้อ่านมีการทดลองค้นพบว่าอนุภาคในจักรวาลจำลองเกิดขึ้นได้เองจากพื้นที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นรายละเอียดที่น่าสนใจมากทําให้วิทยาศาสตรค์ค่อยค่อยค้นพบความจริงของธรรมชาติอีกด้านหนึ่งกับพลังงานที่เป็นนามธรรมที่สามารถก่อกําเนิดรูปธรรมขึ้นมาได้เป็นตัวอย่างของการพิสูจน์เรื่องธรรมชาติได้มาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทั้งนี้พลังงานทางจิตก็ยังเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ต้องสัมผัสด้วยใจเท่านั้น จึงต้องพิสูจน์ด้วยใจและวิธีพิสูจน์พระพุทธเจ้าก็ได้สอนไว้ครบแล้วนะครับซึ่งรวมอยู่ในมัคมีองแปดและผู้ศึกษาที่ปฏิบัติได้ยังถูกต้องพอเพียงเท่านั้นจึงจะพิสูจน์เรื่องทางจิตได้เดี๋ยวเรื่องของโลกหลังความตายนั้นที่ผ่านมาก็มีผู้ปฏิบัติจํานวนมากได้รู้เห็นความจริงในเรื่องนี้ด้วยตนเองแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องระวังในการศึกษาและปฏิบัติ เพราะอาจลงผิดไปด้วยสภาพจิตปรุงแต่งไปเองหรือแม้แต่สภาวะที่เป็นโรคจิตเห็นภาพหลอนไปเองท่านผู้สนใจโปรดติดตามศึกษางานของอาจารย์พรซึ่งได้เรียบเรียงเป็นหนังสือไว้มากมายก็จะทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายและถูกต้องตรงทางมากขึ้นนะครับคำนำในการพิมพ์ครั้งที่สองหนังสือเล่มนี้ มีผู้อ่านบางคนมาเล่าให้ฟังว่าสำหรับคนที่อ่านรู้เรื่องและเชื่อตามนี้ก็รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นและมีศรัทธาภาษาถ้ต่อหนังสือเล่มนี้มากส่วนคนที่อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องและไม่เชื่อตามข้อความในหนังสือเล่มนี้ก็ลงความเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ไม่มีสาระควรแก่การสนใจและบางคนก็ดูหมิน่นโดยกล่าวหาว่าเป็นการเขียนตามความคิดฝันของข้าพเจ้าเองเพราะไม่มีหลักฐานหรือข้อพิสูจน์อันใด ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นความจริงคนประเภทนี้รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนเราจะเกิดจากจิตใจของตัวเองเหมือนกับชีวิตในความฝันอันนี้เขามองไม่เห็นจริงๆคิดเท่าไรเท่าไรก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ยิ่งกว่านั้นเขาก็ยังเข้าใจอีกว่าการที่เอาเรื่องในความฝันซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระไม่มีความจริงมาเปรียบเทียบกับเรื่องของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงๆนั้น ยิ่งทำให้เห็นว่าชีวิตหลังจากตายก็เป็นเรื่องไร้สาระไม่มีความจริงเหมือนกับเรื่องของความฝันนั่นเองคนบางคนมีความเห็นแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าการศึกษาเรื่องชีวิตหลังจากตายนั้นขอให้ศึกษาจากความฝันเราจะทำให้เข้าใจง่ายกว่าวิธีอื่นทั้งหมดสาหรับคนสามัญซึ่งไม่มียานพิเศษ เพราะชีวิตหลังจากตายกับชีวิตในความฝันมีลักษณะที่คล้ายกันมากต่างกันแต่เพียงว่าชีวิตในความฝันหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นในความฝันนั้นที่ยังไม่ใช่เรื่องจริงก็เพราะมันเกิดจากพลังของวิญญาณส่วนน้อยส่วนชีวิตหลังจากตายและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของโอปปาติกะที่เป็นอเรื่องจริงทั้งหมดก็เพราะมันเกิดจากพลังของวิญญาณทั้งหมด และโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมในโลกของโอปปาติกะนั้นเกิดจากพลังของวิญญาณของผู้ที่อยู่ในภูมินั้นๆซึ่งเรื่องนี้เข้าใจยากมากแต่มันก็เป็นความจริงและจุดนี้แหละที่ข้าพเจ้าเคยบอกไว้ว่าจะนำมาขยายข้อความให้ละเอียดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องนี้จแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นจนกระทั่งสามารถที่จะยืนยันกับตัวเองได้เสมอว่าทุกอย่างเกิดจากใจสาคัญที่ใจ จุดหมายอันแท้จริงของชีวิตก็คือการเอาชนะใจตนเองหรือการพยายามสร้างจิตใจของตนเองให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆผู้ใดหากเข้าใจเรื่องนี้จำแจ้งและยอมรับความจริงอันนี้ก็แปลว่าผู้นั้นได้เข้ามาสู่แสงสว่างแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตก็จะมีแต่ความสุขและความเจริญยิ่งขึ้นจุดหมายของหนังสือเล่มนี้ อยู่ที่ต้องการจะให้คนทั้งหลายเข้าใจความจริงดังที่กล่าวมานี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆทั้งหมดไม่ควรกลัวตายในวิสัยของคนธรรมดาย่อมกลัวตายด้วยการทุกคนเพราะคิดว่าความตายเป็นการสูญเสียทุกอย่าง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 วิธีศึกษาธรรมะที่ถูกต้องการศึกษาธรรมหรือธรรมะก็คือการศึกษาเรื่องชีวิตของตัวเองให้เข้าใจตามความเป็นจริงและวิธีการศึกษาที่จะทําให้เข้าใจง่ายก็คือศึกษาข้อเท็จจริงที่เราพบเห็นกันอยู่เสมอแต่การศึกษาจะข้อเท็จจริงนั้นเราจะต้องอาศัยหลักวิชากล่าวคือธรรมะอันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า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 ก็อย่าเพิ่งด่วนตัดสินง่ายๆขอให้พยายามศึกษาไปให้จบเสก่อนแล้วจึงค่อยลงความเห็นว่าอะไรผิดอะไรถูกจะเกิดต้องอาศัยวิญญาณตามหลักพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าคนเราจะเกิดมาได้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 คนที่จะอ่านเหตุการณ์ในความฝันเข้าใจโดยตลอดจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปปาติกะและจะต้องยอมรับว่าชีวิตที่เรียกว่าโอปปปาติกะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้แจ่มแจ้งก็โดยอศาศัยญาณที่เกิดจากสมาธิซึ่งเรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่ายานที่ทำให้ระลึกชาติได้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 และยังมีสาเหตุอีกอย่างหนึ่งคือถ้ายังไม่มีวิญญาณมาปฏิสนธิในไข่ที่ผสมเอาไว้ไข่นี้จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนไม่ได้และการที่วิญญาณจะมาปฏิสนธิในตระกูลไหนมันมีกฎเกณฑ์ของมันโดยเฉพาะไม่ได้หมายความว่าถ้าพ่อแม่ไม่เป็นหมันไม่ว่าวิญญาณที่ไหนก็อาจจะมาเกิดได้ทั้งนั้นความจริงไม่ใช่เช่นนี้ กฎโดยทั่วไปมีอยู่ว่าวิญญาณจะไปเกิดในที่ไหนจะต้องอาศัยความเหมาะสมเกี่ยวกับอุปนิสัยใจคอและบุญบา ร, รมีของพ่อแม่ซึ่งเรื่องอย่างนี้จะไม่มีทางรู้ได้โดยวิธีอื่นเลยนอกจากจะอาศัยวิธีการทางรกชาติและการมีตาทิพเท่านั้นชีวิตโอปปาติกะ พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าชีวิตต่างๆในสากลจักรวาลเมื่อสรุปแล้วก็มีอยู่สี่แบบคือหนึ่งชลาผูชาแปลว่าชีวิตที่เกิดมาจากมดลูกและออกมาเป็นตัวเช่นมนุษย์เป็นต้น 2. อันทชาแปลว่าชีวิตเกิดออกมาเป็นไข่และมาฟักเป็นตัวข้างนอก เช่นเป็ดหรือไก่เป็นต้น 3. สังเสรชะแปลว่าชีวิตที่เกิดขึ้นในที่ชื้นแฉะหรือในที่สกรปรกซึ่งได้แก่พวกเชื้อโรคต่างๆหรือพวกจุลินทรีย์ต่างๆ 4. โอปปาติกะแปลว่าชีวิตที่ปรากฏขึ้นมาเป็นตัวตนทันที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 เราเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองวิธีศึกษาเรื่องโอปปปาติกะความฝัน3อย่างวิธีการศึกษาเรื่องโอปปปาติกะที่จะให้เข้าใจก็คือก่อนอื่นเราต้องพยายามศึกษาเรื่องความฝันประเภทต่างๆให้เข้าใจซะก่อน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 ตแพทย์จํา <lesh. S 1> เป็นที่จะต้องรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์จิตโดยวิธีสะกดจิตหรือการใช้ยาจึงจําเป็นจะต้องมีในเมื่อไม่สามารถจะให้คนไข้บอกถึงความรู้สึกหรือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในใจเหตุการณ์ต่างๆในความฝันก็คือปรากฏการ์ที่บอกให้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นความฝันประเภทนี้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 ถึงแม้ว่าเราจะยังพิสูจน์ไม่ได้ก็ตามเพราะถ้าไม่ยอมเชื่อกันบ้างแล้วก็ไม่มีทางที่จะเห็นความจริงในทางศาสนาได้เลยหมายเหตุผู้อ่านขอยกตัวอย่างกับเรื่องจริงนะครับผู้อ่านเองเคยไปคุยกับวัยรุ่นในเรื่องโลกหลังความตายแล้วก็เจอคำถามว่าเคยตายมาก่อนหรือไง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 ก็ไม่ได้ยินเสียงจากภายนอกแต่มีความรู้สึกอยู่ภายในคล้ายกับคนที่นอนหลับสนิทและฝันแต่ก็แตกต่างกับความฝันเพราะคนที่เข้าสมาธิแบบนี้มีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจอยู่ทุกขณะควบคุมความรู้สึกนึกคิดได้ดีไม่มีอาการเป๋ปะหรือเลื่อนลอยเหมือนกับอยู่ในความฝันสําหรับบุคคลที่เข้าสมาธิได้อย่างนี้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 ลักษณะของการที่เกิดขึ้นซึ่งหลักที่ว่านี้เป็นความจริงแก่ทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้นเลยแต่ถ้าจะมีข้อยกเว้นก็มีเฉพาะแต่พระอรหันต์เท่านั้นเพราะพระอรหันต์ไม่มีตัณหาอุปาทานส่วนบุคคลอื่นนอกจากนี้ย่อมมีตัณหาอุปาทานตัณหาอุปาทานที่มีในสันดานหรือพูดอีกนงยะหนึ่ง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 พระพุทธองค์ทรงรู้ได้อย่างไรว่าในขณะนี้ได้มีวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่แล้วหรือยังและทรงรู้ได้อย่างไรว่าวิญญาณที่มาปฏิสนธินี่เองคือตัวการสำคัญที่สุดที่ควบคุมการเกิดการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างภายในร่างกายและวิญญาณนี่แหละคือตัวการสำคัญที่ทาให้โลหิตของแม่ที่เข้าไปหล่อเลี้ยงทารกกลายเป็นส่วนต่างของร่างกายขึ้นมา อย่าลืมว่าวิญญาณเป็นอำนาจหรือพลังงานอย่างหนึ่งที่เป็นนามธรรมหมายเหตุผู้อ่านต้องไม่ลืมนะครับว่าวิญญาณในที่นี้ก็คือจิตไม่ใช่วิญญาณที่คนทั่วไปเข้าใจในแบบที่เป็นตัวเป็นตนซึ่งตัวตนที่คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นวิญญาณแบบนั้น ความจริงก็คือกายทิพย์ที่วิญญาณหรือจิตสร้างขึ้นมาอีกทีนะครับพระพุทธเจ้าทรงสามารถระลึกชาติได้และทรงมีตาทิพย์ยาณทั้งสองนี่แหละคือเครื่องมือสำคัญในการทดสอบเพื่อที่จะให้รู้แน่ว่าในขณะนี้ได้มีวิญญาณมาเกิดแล้วหรือยังในเมื่อเราทราบว่า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 มีอวัยวะต่างๆครบถ้วนมีประสาทใช้การได้เหมือนกายเนื้อถ้าเข้าใจข้อเท็จจริงเหล่านี้ดีและยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่ยอมรับว่ากายเนื้อของเรานี้เกิดมาจากบัญญาณเหมือนกันคนธรรมดาจะรู้ได้อย่างไรว่า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 อันหนึ่งกายทิพย์จะหยาบหรือละเอียดประณีตเพียงใดปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับสภาพของวิญญาณกล่าวคือถ้าหากวิญญาณของผู้ใดมีสมาธิสูงมีคุณธรรมสูงติดอยู่ในวัตถุน้อยกายทิพย์ที่เกิดจากวิญญาณประเภทนี้ก็จะละเอียดประณีตกว่ากายทิพย์ที่เกิดจากวิญญาณที่มีสมาธิตากว่ามีคุณธรรมน้อยกว่าและยังติดอยู่ในวัตถุมาก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 การได้อัตตาที่หยาบเป็นชนิอัตตาใดซึ่งมีรูปประกอบด้วยธาตุสีบริโภคกาวะลิงกราหารคือหมายถึงอาหารทุกชนิดที่คนกินได้ตามศัพท์แปล ว, ว่าอาหารที่ทำเป็นคำคำสําหรับใส่ปากการได้อัตตาเช่นนี้เรียกว่าการได้อัตตาที่หยาบ 2.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 อัตตาที่สำเร็จด้วยใจซึ่งได้แก่กายทิพย์หรือรูปร่างของโอปปาติกาทั้งหลายผู้ที่มีกายทิพย์หรือที่เรียกในที่นี้ว่าอัตตาที่สำเร็จด้วยใจนั้นก็ได้แก่พวกที่เกิดในอบบยภูมิสี่คือโรกเปรตอสุรกายเดยรชานและพวกที่ไปเกิดเป็นเทวดาและรูปพระพรหมในภูมิต่างๆสำหรับในข้อนี้เดรชานที่เป็นโอปปาติกะก็มี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 กตะ โ, โ, โ, โ, โ, โ, โ, โ, โมโมโยอตตาปฏิลาโภรูปีโมโมโยสัพพังข้ประจังขีอหีนิทริโยอายังโมโมโยอตตปฏิลาโภมโมยิทธิเพื่อที่จะให้ท่านผู้อ่านที่เข้าใจถึงหลักฐานที่ว่าโตตนในความฝัน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 เมื่อมีจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีกิเลสเครื่องยียวนปราศจากอุปาคิเลสทั้งหลายเป็นจิตอ่อนโยนควรแก่การงานเต็มรงอยู่มั่นคงไม่หวั่นไหวเช่นนั้นแล้วก็น้อมจิตไปเพื่อจะเนรมิตกายที่สำเร็จด้วยใจครั้นแล้วเธอก็เนรมิตกายขึ้นอีกกายหนึ่งจากกายนี้ได้ซึ่งกายที่เนรมิตขึ้นนั้นเป็นกายที่มีรูปเป็นกายที่สำเร็จด้วยใจมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน มีอินทรีย์สมบูรณ์คือมีอายตนะภายในครบทุกอย่างมหาราชเปรียบเหมือนบุรุษชักไสออกจากหญ้าปล้องฉะนั้นข้อความที่อ้างมานี้เป็นพุทธนทตอนหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระเจ้าอาชาศัตรูถึงเรื่องผลแห่งความเป็นสมณนะและผลแห่งการปฏิบัติตามธรรมวินัยของพระองค์ว่ามีอยู่อย่างไรบ้าง จากข้อความที่อ้างเมือ น, นี้ขอให้สังเกตเป็นพิเศษและเดบโรปรนำไปเปรียบเทียบกับข้อความที่พระองค์ตรัสถึงสภาพแห่งรูปของโอปปาติกาว่าการได้อัตตาที่สำเร็จด้วยใจเป็นชนิดนัตาใด 1. ซึ่งมีรูปสำเร็จด้วยใจ 2. มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วน 3. ม, มีอินทรียบริบูรณ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 มีอยู่ท่านผู้เจริญอัตตาอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นกายทิพย์มีรูปเป็นกามาพระจรมีกาวลิงการาหานเป็นภักษาจากพรมชาลสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่เก้ากายทิพย์ในที่นี้ก็หมายถึงรูปกายของโอปปาติกะซึ่งเป็นกายที่สาเร็จด้วยใจเหมือนกันยกมาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากายที่สาเร็จด้วยใจนั้น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 ภิกษุนั้นเมื่อมีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนคนแก่การงานตั้งมันมีหวั่นไหวอย่างนี้แล้วเธอก็น้อมจิตไปเพื่อจะรู้การจุติและการอุบัติของสัตว์ทั้งหลายครั้นแล้วเธอก็จะเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติกําลังอุบัติเลวประณีดมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากโดยทิพยาจากสุอันบริสุทธิ์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 วจีสุจริตมนโนสุจริตไม่ติดเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทาด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นมูสัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีดมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากดยทิพยาจักสุขอันบริสุทธิ์ซึ่งเห็นอะไรได้มากกว่าจักสุขของมนุษย์ ในยอมรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนิ้เปรียบเหมือนมีปราสาทตั้งอยู่ณทางสามแพร่งท่ากลางพระนครบุรุษผู้มีจักสุดีเยือนอยู่บนปราสาทนั้นก็จะพึงเห็นหมูชนที่กำลังเข้าไปสู่เรือนหรือที่กำลังออกจากเรือนหรือที่กำลังสัญจรเป็นแถวอยู่ในถนนหรือที่นั่งอยู่ที่ทางสามแพร่งท่ากลางพระนครฉะนั้น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 จากข้อความในพระสูตรนี้ท่านจะเห็นว่าผู้ที่ได้ทิพยจักสุนั้นสามารถที่จะรู้ว่าคนที่ตายไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดเป็นอะไรด้วยวิบากกรรมอะไรมองเห็นได้เหมือนกับคนที่ยืนอยู่บนปราสาทมองเห็นคนที่สัญจรไปมาตามถนนหรือมองเห็นคนที่เข้าออกจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งยานที่รู้อย่างนี้เรียกว่าจุตูปปาตยานซึ่งแปลว่า ญาณที่รู้การจุติและการปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายและญาณอันนี้จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อต้องมีตาทิพ์มองเห็นโอปปาติกาทั้งหลายได้และจะต้องมีความรู้ในเรื่องกฎของกรรมและกฎของสังสารวัฏเป็นอย่างดีด้วยและผู้ที่จะรู้เรื่องสังสารวัฏและกฎของกรรมอย่างแจ่มแจ้งได้จริงๆนั้นก็ต่อเมื่อมีความสามารถระลึกชาติได้ ขอให้สังเกตว่าในคืนวันวิสาขะซึ่งเป็นคืนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้นั้นในพุทธประวัติบอกว่าในยามที่หนึ่งพระองค์ได้ทรงบรรลุ ป, ปุพเพนิวาสานุสติยานยานที่ทำให้ระลึกชาติได้และต่อมายามที่สองพระองค์ได้ทรงบรรลุจุตู ป, ปปาตายานยานที่ทำให้รู้แจ้งเรื่องการตายและการเกิด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 หรือรับความคิดจากโอปปปาติกะได้ซึ่งนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งในตอนนี้เองเป็นโอกาสที่โอปปปาติกะสามารถจะบอกเป็นคำพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือบอกเป็นปริศนาหรือแสดงภาพนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นหรือบรนดาลให้เ ห, เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้อนี้บางทีก็เรียกว่าเทวดาสังหรณ์โปรดสังเกตว่า คำว่าเทวดาในที่นี้หมายถึงโอปปาติกะทั่วไปซึ่งอาจจะเป็นโอปปาติกะที่ดีก็ได้ไม่ดีก็ได้ 4. ปุพานิมิตเพราะบุญหรือบาปที่เคยทำไว้ในครั้งก่อนแสดงนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้เห็นซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์บอกเราให้รู้ว่าจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นในการข้างหน้า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 จากหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องความฝันในคัมภีร์ของพุทธศาสนาดังที่กล่าวมานี้ท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องความฝันที่เป็นจริงได้ยอมรับกันมานานแล้วว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปได้โดยเฉพาะข้อที่สที่กล่าวกันว่ามีโอปปาติกะมาเข้าฝันหัวข้อนี้เราจะอธิบายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะต้องยอมรับว่าการที่คนบางคนนอนหลับแล้วฝันเห็นพวกโอปปาติกะทั้งหลายนั้น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 กายทิพย์เกิดเป็นกายเนื้อขึ้นมาได้อย่างไรข้าพเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วว่ากายเนื้อก็คือกายทิพย์ที่หยาบซึ่งถ้าหากเข้าใจคําพูดประโยคนี้ดีก็จะเข้าใจได้ง่ายมากว่าร่างกายของคนเราก็อากําเนิดมาจากวิญญาณของเรานั่นเองแต่อย่างไรก็ดีคําพูดประโยคนี้จะเข้าใจง่ายก็เฉพาะคนที่เข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งเท่านั้น ส่วนคนทั่วไปจะเข้าใจยากมากเพราะฉะนั้นถ้าพเจ้าจะขออธิบายเพิ่มเติมอีกก่อนอื่นเราต้องยอมรับเสก่อนว่ากายทิพย์เช่นร่างกายในความฝันนั้นในบางครั้งก็กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยเหตุผลดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในเมื่อยอมรับความจริงข้อนี้แล้วก็ขอให้พิจารณาดูว่าโดยธรรมดาคนเราเมื่อคิดจะทาอะไร เช่นจะสร้างบ้านเป็นต้นรูปของบ้านจะต้องเกิดในห้วงคิดก่อนแล้วต่อมาจึงจะปรากฏออกมาเป็นบ้านจริงๆจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่ามโนภาพเกิดง่ายและเกิดได้รวดเร็วเท่ากับความนึกคิดและในเมื่อตัวตนในความฝันซึ่งในครั้งแรกก็เป็นเพียงมโนภาพแต่แล้วในบางครั้งกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้ก็แปลว่าตัวตนซึ่งเป็นมโนภาพนั้น ได้กลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาได้ด้วยอำนาจจิตแต่มโนภาพจะกลายเป็นสิ่งที่มีตัวตนและมีชีวิตขึ้นมาได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับอำนาจจิตดังที่ได้เคยอธิบายมาแล้วคราวนี้มาถึงปัญหาว่ากายทิพย์ก็คือมโนภาพที่มีชีวิตนั้นจะปรากฏออกมาเป็นกายหยาบดังเช่นร่างกายของมนุษย์จะได้หรือไม่ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่น่าคิดมากและเป็นจุดสําคัญที่สุดที่จะทําให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าร่างกายของเราเกิดมาจากวิญญาณของเราจริงๆสมดังพุทธพจน์ที่พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานน์ถ้าวิญญาณจะไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดาน้ํารูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือพระอานน์ทูลตอบว่ามิได้พระพุทธเจ้าค่ะ เพราะเหตุนี้แลอานนท์เราตถาคตจึงได้กล่าวว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปพุทธพจน์บทนี้มีอยู่ในมหานิทานสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบอันหนึ่งในบาลีอักขัญยสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิเ็ดพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้ว่ามนุษย์พวกแรกนั้นมาจากโคลมอภัสระ พรมพวกนี้เป็นโอปปาติกะมีกายทิพย์เหาเหินเดินอากาศได้ท่องเที่ยวไปในจักรวาลต่างๆได้และในที่สุดพวกพรมเหล่านี้ก็ได้มาพบโลกนี้ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีมนุษย์แต่พวกพืชต่างๆมีแล้วส่วนสัตว์จะมีหรือไม่ในคำพีไม่ได้กล่าวถึงพวกพรมเหล่านี้เมื่อได้ไมาเห็นโลกนี้แล้วก็ชอบจึงได้อาศัยอยู่ในโลกนี้มาเป็นเวลานาน ซึ่งในคำพีก็ไม่ได้บอกว่านานเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจว่านับเป็นล้านล้านปีเพราะเหตุที่พวกพรมเหล่านี้เกิดตัณหาชอบกินสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกมนุษย์กายทิพย์จึงได้หยาบขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งเป็นกายเนื้อที่สมบูรณ์และมีเพศปรากฏมีกิเลสเกิดขึ้นมีการอยู่ร่วมกันและมีลูกโดยวิธีสืบพันธุ์ดังเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ข้อความที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้าสรุปมาให้สั้นที่สุดทั้งนี้เพราะต้องการจะชี้ให้ดูแต่เพียงแง่เดียวว่าตามหลักพุทธศาสนาถือว่ากายมนุษย์ซึ่งเป็นกายเนื้อหรือเป็นกายหยาบนั้นได้วิวัฒนาการมาจากกายทิพย์ซึ่งเป็นกายละเอียดผู้ที่ต้องการจะทราบเรื่องนี้โดยละเอียดขอเดียวโปรดไปอ่านหนังสือพุท ธ, ธวิทยาเล่มสองซึ่งข้าพเจ้าได้เขียนมาสิบกว่าปีแล้ว จากหลักฐานที่อ้างมานี้ก็เป็นอันยอมรับว่าตามหลักพุทธศาสนาถือว่ากายเนื้อมาจากกายทิพย์แต่ปัญหาก็มีว่ากายทิพย์เกิดเป็นกายเนื้อขึ้นมาได้อย่างไรปัญหาข้อนี้ขอให้พิจารณาดังต่อไปนี้ก่อนอื่นขอให้พิจารณาก่อนว่าวัตถุที่เป็นกายทิพย์นั้นเป็นวัตถุที่ละเอียดมากจนกระทั่งประสาทของมนุษย์ สัมผัสไม่ได้กายทิพย์จะปรากฏออกมาเป็นวัตถุที่หยาบจนกระทั่งประสาทของมนุษย์สามารถสัมผัสได้เช่นตาเห็นได้เมื่อจับถูกต้องได้อย่างนี้เป็นต้นก็เป็นสิ่งจําเป็นอยู่เองที่จะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมในโลกมนุษย์และอาศัยกฎเกณฑ์ธรรมชาติต่างๆที่มีอยู่ในโลกมนุษย์และในทํานองเดียวกันในเมื่อสิ่งที่เป็นกายทิพย์นั้นจะปรากฏอยู่ในโลกทิพย์ในภูมิไหน ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมของโลกทิพย์ในภูมินั้นและต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติในภูมินั้นๆด้วยเหมือนกันหลักวิชาสั้นๆดังที่กล่าวมานี้ขอให้พยายามอ่านทบทวนละหลายครั้งจนกว่าจะรู้สึกว่าพอจะเข้าใจและในเมื่อความเข้าใจในเรื่องนี้ตั้งต้นได้แล้วอีกไม่นานเท่าไหร่ท่านก็จะเข้าใจได้ด้วยตัวของท่านเองว่ากายเนื้อ ก็คือกายทิพย์ที่หยาบนั่นเองอันหนึ่งขอได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าโดยธรรมดาผู้ที่มีเทพยาจักษุในขั้นสูงและสามารถระลึกชาติได้ด้วยนั้นสำหรับบุคคลประเภทนี้จะสามารถมองเห็นรูปร่างของคนที่กำลังเกิดใหม่ในท้องแม่ซึ่งในขณะนั้นชีวิตที่กำลังเกิดใหม่ แม้จะมีอายุเพียงวันหรือสองวันก็ตามซึ่งชีวิตในตอนนี้ยังเป็นเพียงจุดเล็กๆยังไม่มีลักษณะที่จะเป็นตัวคนแต่ถึงกระนั้นผู้ที่มีตาทิพย์และสามารถระึกชาติได้เมื่อต้องการจะรู้ว่าเด็กคนนี้เมื่อโตขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็สามารถที่จะมองเห็นและวาดภาพออกมาได้ในทนองเดียวกับคนที่เคยรู้มาแล้วว่ามเมล็ดส้มโอมเมล็ดส้มเกลียง เมื่อโตขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างลักษณะอย่างไรสามารถวาดภาพออกมาได้ทั้งที่ในขณะนั้นยังเป็นเพียงมเมล็ดอยู่ก็ตามการที่เราทำได้เช่นนี้ก็เพราะเคยเห็นต้นส้มโอและต้นส้มเกลียงมาแล้วเราจึงนึกวาดภาพได้ถูกต้องจากความจำที่เคยผ่านมาแต่อย่างไรก็ดีสำหรับในกรณีของคนที่กำลังเกิดนั้นขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่า ไม่ใช่เป็นการนึกวาดภาพออกมาโดยอาศัยรูปร่างของพ่อแม่เป็นหลักเพราะผู้ที่ได้สมาธิขั้นสูงแล้วรู้ว่าเด็กคนนี้โตขึ้นมาแล้วจะมีรูปร่างอย่างไรนั้นเป็นเพราะในขณะนั้นได้มีกายทิพย์เกิดขึ้นสมบูรณ์แล้วซึ่งเป็นแบบฉบับของกายเนื้อที่จะเจริญเติบโตต่อมาข้อเท็จจริงอันนี้จะเห็นตรงกันทั้งหมดสําหรับคนที่ได้สมาธิขั้นสูงเหมือนกัน คือแปลว่าไม่ว่าใครถ้าหากได้สมาธิขั้นสูงเหมือนกันแล้วก็สามารถที่จะบอกถึงรูปร่างของเด็กในเมื่อโตขึ้นมาแล้วได้ตรงกันทั้งนี้ก็เพราะทุกคนได้เห็นการทิพของเด็กผู้นั้นซึ่งเป็นการที่สมบูรณ์มีรูปร่างหน้าตาชัดเจนมีอวัยวะครบทุกอย่างโปรดแยกประเด็นให้ดีว่ารูปร่างของคนนั้นในชาติก่อนคือในขณะที่เป็นโอปปาติกะ ก่อนที่จะมาเกิดในท้องแม่ก็มีลักษณะอย่างหนึ่งหรือถ้าจะนึกย้อนหลังไปดูชาติก่อนแต่ละชาติไม่ว่าจะเป็นในชาติที่เป็นโอปปปาติกะหรือในชาติที่เป็นคนก็ตามต่างก็จะมีลักษณะไปคนละแบบแต่ในเมื่อวิญญาณได้มาปฏิสนธิในท้องแม่แล้วรูปร่างอันเดิมก่อนที่จะมาปฏิสนธินั้นก็จะสลายตัวไปแล้วจะมีรูปร่างอย่างใหม่เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพราะได้รับอิทธิพลจากกรรมพันธ์ที่สืบต่อมาจากพ่อแม่ซึ่งมีอยู่ในไข่และในสเปิรม์มและนอกจากนี้ยังได้รับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในโลกมนุษย์อีกด้วยเพราะฉะนั้นกายทิพย์ที่เกิดใหม่ในขณะที่อยู่ในท้องแม่จึงไม่เหมือนกายทิพย์ก่อนที่จะมาปฏิสนธิอันหนึ่งขอเจบโปรดทราบไปด้วยว่า ข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมานี้จะรู้ได้ก็เฉพาะแต่คนที่มีสมาธิขั้นสูงเท่านั้นถ้าเรายอมรับข้อเท็จจริงอันนี้เราก็จะเข้าใจได้โดยง่ายว่ากายมนุษย์ก็คือกายทิพย์ที่หยาบและอีกอย่างหนึ่งคนเราเมื่อกำลังจะตายก็จะต้องมีกายทิพย์เกิดขึ้นซึ่งกายทิพย์ที่ว่านี้ก็จะมีรูปร่างลักษณะอย่างเดียวกับกายเนื้อที่กาลังจะตายนั่นเอง แล้วรูปร่างที่ว่านี้จะอยู่ในลักษณะนี้ตลอดไปถ้าหากยังเกี่ยวข้องอยู่ในโลกมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากบรรยากาศในโลกมนุษย์แต่ถ้าหากไปเกิดในโลกทิปในภูมิที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์เลยกายทิพย์นั้นก็จะเปลี่ยนไปตามภูมิรูปร่างจะไม่อยู่ในสภาพเดิมเพราะฉะนั้นขอให้สังเกตว่ากายทิพย์ที่เกิดใหม่ ในขณะแรกที่ปฏิสนธิในท้องแม่ก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกับกายเนื้อที่จะเจริญเติบโตขึ้นในภายหลังและในทานองเดียวกันกายทิพที่เกิดใหม่ก่อนที่กายเนื้อจะตายก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกับกายเนื้อที่ตายข้อเท็จจริงทั้งสองอย่างนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากายเนื้อกับกายทิพมีความสัมพันธ์กันและขอให้นึกถึงตัวเราในขณะที่ฝัน ก็จะเห็นได้ว่ามีลักษณะอย่างเดียวกับกายเนื้อแต่ในบางครั้งอาจจะมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปบ้างทั้งนี้เพราะอิทธิพลของความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในขณะนั้นกายทิพย์เป็นกายที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะกายทิพย์ก็คือมโนภาพที่เข้มข้นจนประทั่งมีชีวิตขึ้นมาและการปรากฏของมโนภาพ ออกมาเป็นวัตถุนั้นมีอยู่สองวิธีคือ 1. เราพูดหรือทำอะไรออกมาตรงตามลักษณะของมโนภาพที่เกิดในใจเช่นตัวอย่างเราจะสร้างบ้านก็ต้องมีบ้านซึ่งเป็นมโนภาพเกิดขึ้นในใจก่อนและในเมื่อต้องการจะให้มโนภาพอันนั้นปรากฏแก่สายตาของมนุษย์ทั่ ว, วไปซึ่งรวมทั้งตัวเองด้วยเราก็จาเป็นจะต้องอาศัยสิ่งแวดล้อม และกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกมนุษย์นั่นก็คือเราต้องไปหาเครื่องอุปกรณ์ในการก่อสร้างรวมทั้งเครื่องมือและผู้ช่วยทำงานและในการสร้างเราก็ต้องทำไปตามกฎเกณฑ์ของวัตถุนี่ก็คือการปรากฏของกายทิพย์ออกมาเป็นวัตถุที่เห็นได้ชัดด้วยตามนุษย์และในเมื่อต้องการจะให้กายทิพย์ปรากฏออกมาในลักษณะ น, นี้ ก็ต้องใช้เวลานานตามสมควรจะให้รวดเร็วเหมือนกับกายทิพย์ที่ยังเป็นมโนภาพอยู่นั้นย่อมไม่ได้อยู่เอง 2. การปรากฏของกายทิพย์ออกมาเป็นวัตถุที่เห็นได้ชัดอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นแบบดั้งเดิมและเป็นแบบธรรมชาติจริงๆก็คือในเมื่อวิญญาณมาปฏิสนธิในท้องแม่ คือปฏิสนธิในไขรที่ผสมเอาไว้รันแล้วกายเนื้อก็จะเกิดขึ้นมาซึ่งจะเป็นไปตามแบบของกายทิพย์ที่วิญญาณได้สร้างขึ้นไว้ก่อนแล้วตามวิบากและตามอิทธิพลของกรรมพันธ์และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในขณะนั้นขอให้พยายามคิดให้ละเอียดและคิดช้าๆแล้วท่านก็จะมองเห็นว่ามันมีกรรมวิธีอย่างเดียวกับการสร้างบ้านจะแตกต่างกันแต่เพียงว่า เรื่องมือในการกอร่อสร้างเรื่องอุปกรณ์ที่จะนํามาสร้างได้มีพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องเสาะสแสวงหาจากที่อื่นและการกอร่อสร้างนั้นก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรซึ่งทั้งนี้ก็สุดแล้วแต่สภาพของชีวิตแต่ละชีวิตมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่กว่าสิ่งที่กอ่อสร้างขึ้นมานั้นจะสำเร็จขึ้นมาหลักสาคัญที่สุด ที่จะต้องพิจารณาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งก็คือในเมื่อวิญญาณจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประเภทไหนและในภูมิไหนการสร้างของวิญญาณก็จะต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและกฎเกณฑ์ธรรมชาติของภูมินั้นๆขอให้พยายามเปรียบเทียบว่าแม้แต่กายทิพย์ที่เกิดในภูมิต่างๆก็ยังมีลักษณะไม่เหมือนกันเช่นคนคนเดียวกัน มาอยู่ในโลกมนุษย์กายทิพย์ก็จะเหมือนกับกายเนื้อตอนที่ตายแต่ในเมื่อไปอยู่ในภูมิอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับบรรยากาศในโลกมนุษย์กายทิพย์นั้นก็จะเปลี่ยนไปตามภูมิและในทํานองเดียวกันในชาตินี้เราเกิดเป็นคนและเมื่อตายจากคนไปเกิดเป็นโอปปาติกะซึ่งมีรูปร่างเหมือนคนแต่ถ้าหากในขณะที่กาลังจะจุติจากชีวิตโอปปาติกะ จิตเกิดเป็นอกุศลขึ้นมาและแล้วต้องมาปฏิสนธิในท้องของสัตว์ในโลกมนุษย์เราก็จะเห็นว่าร่างกายของเราที่เกิดใหม่นี้ก็จะต้องมีรูปร่างลนะักษณะเหมือนกับสัตว์ผู้ให้กําเนิดนี่คืออิทธิพลของกรรมพันธุ์และสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมทั้งอิทธิพลและกฎเกณฑ์ธรรมชาติต่างๆในภูมินั้นๆด้วยอันหนึ่งถ้าท่านใช้ความสังเกตให้ดี ท่านก็จะพบอีกว่าในโลกมนุษย์นี้เองกฎเกณฑ์ของชีวิตแต่ละประเภทซึ่งถ้าพูดตามหลักในทางศาสนาก็คือกฎเกณฑ์ของแต่ละภูมินั้นก็ยังไม่เหมือนกันทั้งที่อยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันเช่นสภาพชีวิตของคนกับสัตว์ก็มีอะไรหลายอย่างแตกต่างกันซึ่งเราจะต้องศึกษาจึงจะรู้แต่บางอย่างก็เหมือนกัน ถ้าหากเรามีความรู้ในเรื่องชีววิทยาอย่างกว้างขวางประกอบด้วยแล้วเราก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเลยว่ากายเนื้อก็คือกายทิพย์ที่หยาบหรือพูดอีกในยะหนึ่งกายทิพย์ก็คือพลังงานที่วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นสาสสารแต่ละชนิดนั่นเองหมายเหตุผู้อ่านซึ่งอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วนะครับว่าการทดลองในปัจจุบัน คนพบอนุภาคที่เกิดมาจากความว่างในจักรวาลจำลองซึ่งทำให้เห็นว่ามีพลังงานบางอย่างที่ไม่สามารถตรวจวัดทางวัตถุได้เป็นต้นกำเนิดสำคัญของการเกิดเป็นสารและวัตถุในเวลาต่อมากายทิพย์ได้วัตถุมาจากไหน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 และมีความเคยชินไปจากโลกมนุษย์บุคคลประเภทนี้จะรู้สึกว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ได้เขาจะต้องได้กินอาหารแต่อาหารเขาจะได้มาก็โดยที่จะต้องมีผู้อื่นให้เช่นทำพิธีเส้นหรือทาบุญอุทิศให้ขอให้สังเกตว่าอาหารที่คนในโลกมนุษย์ให้เขานั้นความเป็นจริงก็ยังคงมีอยู่ในโลกมนุษย์แต่นเมื่อเราเข้าสมาธิไปดูเราก็จะพบว่า อาหารอย่างเดียวกันกับที่อยู่ในโลกมนุษย์ได้มีอยู่ที่โอปปปาติกะเราจะเห็นเขากำลังกินอาหารอย่างเดียวกับที่มีอยู่ในโลกมนุษย์ทั้งที่ความจริงอาหารนั้นเกิดจากใจคือเกิดจากตัณหาอุ ป, ปาทานเกิดจากวิบาะของเขาเองและในทํานองเดียวกันร่างกายของพวกโอปปปาติกะซึ่งเป็นกายที่เกิดหมายจากใจของเขาเองซึ่งถึงแม้จะมีรูปร่างลักษณะอย่างเดียวกับร่างกายในโลกมนุษย์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 ผู้ที่ติดต่อกับโอปปปัติกะได้จะรู้สึกว่าการสนทนากับโอปปปัติกะกับการสนทนากับคนในโลกมนุษย์ไม่มีอะไรที่แตกต่างกันจนกระทั่งในบางครั้งเราก็อาจจะรู้สึกว่าโอปปปัติกะก็คือมนุษย์นั่นเองอันหนึ่งการที่คนทั้งหลายไม่อาจจะเข้าใจได้ว่าวัตถุทั้งหลายเกิดจากวิญญาณ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 วัตถุนั้นเกิดมาจากอาวิชชาตัญหาอุปาทานและจากวิบากต่างๆซึ่งมีอยู่ในวิญญาณวัตถุที่เกิดขึ้นนี้จะออกมาในรูปไหนมีลักษณะอย่างไรย่อมขึ้นอยู่กับอวิชชาตัญหาอุปาทานและวิบากของกรรมที่มีอยู่ในวิญญาณนั้นๆอันหนึง่งข้อที่ว่า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 อย่าหลงเชื่อประสาทสัมผัสแต่อย่างไรก็ดีปัญหาอุปสรรคสำคัญยังมีอีกที่ทำให้เข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้กล่าวคือเราส่วนมากที่เข้าใจคำสอนของพุดธีพอก็นึกทันทีว่าวิญญาณก็คือจักษุวิญญาณการมองเห็นโสตวิญญาณการได้ยินคานวิญญาณการได้กลิ่นจิวหาวิญญาณ การรู้รสการย่วิญญาณความรู้ในสัมผัสทางกายและมโนวิญญาณความรู้ทางใจดังที่รู้กันอยู่โดยทั่วไปเมื่อเข้าใจเรื่องวิญญาณแต่เพียงแง่นี้ก็ยอมจะมองไม่เห็นว่าวัตถุจะเอากำเนิดมาจากวิญญาณเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะวิญญาณที่กล่าวถึงนี้หมายถึงการเห็นการได้ยินการรู้สึกกลิ่นการรู้สึกรสการรู้สึกสัมผัส และความรู้สึกนึกคิดในใจและอีกอย่างเมื่อเราสังเกตดูสิ่งต่างๆที่รร้ชีวิตเช่นก้อนอิด ก, ก้อนหินก็มองเห็นชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีความรู้สึกนึกคิดดังที่กล่าวมานี้เลยวัตถุต่างๆไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามันมีชีวิตและในทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าวัตถุธาตุต่างๆไม่มีชีวิตโปรดสังเกตว่าการที่นักวิทยาศาสตร์หรือคนทั่วไปเข้าใจว่า ดินน้ำลมไฟหรือ ส, สารพลังงานต่างๆไม่มีชีวิตและไม่มีวิญญาณก็เพราะใช้ความรู้ทางประสาสัมผัสเป็นเครื่องตัดสินแต่ส่วนผู้ที่รู้ความจริงว่าวัตถุาธาตุก็มีวิญญาณ น, นั้นเขาใช้ความรู้ในทางประสาสัมผัสเพียงเป็นสื่อสำหรับที่จะถ่ายทอดความรู้ภายในออกมาเท่านั้นเขาไม่ได้ยึดมั่นและเชื่อถือความรู้ที่เกิดมาจากทางประสาสัมผัสเหมือนคนทั่วไป แต่ก็เชื่อถือความรู้ที่มาจากภายในซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาสัมผัสและความรู้จากภายในนั้นมีทุกสาขาคือพูดอีกนัยยะหนึ่งว่าความรู้จากภายในนั้นเป็นที่มาของสัพพัญญุตญาณคือสามารถจะรู้อะไรได้ทุกอย่างขอให้สังเกตดูผลงานที่ออกมาจากความรู้ภายในคือร่างกายของเรา สมมุติว่าจะมีนักวิทยาศาสตร์คนใดก็ตามสามารถสร้างร่างกายแบบมนุษย์ขึ้นมาได้และมีลักษณะทุกอย่างเหมือนกับร่างกายธรรมชาติคือมีชีวิตมีอวัยวะต่างๆทำหน้าที่เหมือนกับร่างกายของเราทุกอย่างเราก็จะเห็นว่านักวิทยาศาสตร์ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาและทั้งจะต้องเป็นสถาปานิกเป็นวิศวกรเป็นศิลปินเป็นนักปกครองเป็นนักเศรษฐกิจ และยังต้องเป็นอย่างอื่นอีกในเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องร่างกายให้เข้าใจโดยละเอียดเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าความสามารถของวิญญาณที่ซ่อนอยู่มีมากมายเหลือเกินถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้จริงๆท่านก็จะเห็นว่าความรู้ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสนั้นเราจะยึดถือเอาเป็นจริงไม่ค่อยได้เท่าไรนักแต่แล้วเราก็พบว่าคนเกือบจะทั้งโลก ไม่ว่าจะเป็นคนโง่หรือคนฉลาดก็ล้วนแต่เชื่อถือและยึดมั่นในความรู้ที่ได้มาจากประสาทสัมผัสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ว่าสมาหิตโตภิกขเวยถาภูตังปชานาติแปลว่าภิกษุทั้งหลายผู้ที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิยอมรู้แจ้งตามความเป็นจริงและครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสกับพระภาหิยะว่าดูก่อนภาหิยะเมื่อเธอเห็นอะไรก็จงสักแต่ว่าเห็นเมื่อได้ยินอะไรก็จงสักแต่ว่าได้ยินเมื่อรู้อะไรก็จงสักแต่ว่ารู้แล้ววิญญาณจะไม่ตั้งอยู่ในภพไหนๆ น, นั่นแลคือที่สุดแห่งทุกข์พระพาหิยะซึ่งในขณะนั้นยังเป็นคารวาสอยู่ เมื่อได้ฟังธรรมมาจากพระพุทธเจ้าเช่นนี้ท่านก็ได้บรรลุปเป็นพระอรหันต์ในขณะที่กำลังฟังธรรมอยู่นั่นเองพุทธพจน์ทั้งสองบทนี้โปรดใส่ใจให้มากที่สุดความจริงของชีวิตอันที่จริงจะเข้าใจได้ไม่ยากเลยถ้าหากเรารู้จักขอบเขตของความรู้ที่เราได้มาและไม่ยึดมั่นในความรู้ที่ตนเองมีอยู่และในเวลาเดียวกัน ก็พยายามอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นทางนำไปสู่แสงสว่างของชีวิตโดยวิธีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าถึงสัจธรรมของชีวิตได้และผลของสัจธรรมที่จะพึงได้รับนั้นย่อมเปรียบเทียบกับผลในทางโลกไม่ได้เลยดังเช่นพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าปทัพยาเอกราเชนะสักษคมนเนนะวาสัพพโลกาทิปเจนะโสตาปฏิพลังวรัง แม้จะเป็นราชาแต่ผู้เดียวในพื้นปฐพีหรือว่าจะได้ไปเกิดในสวรรค์หรือว่าจะได้เป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงนั่นก็ยังไม่ประเสริฐเท่ากับผลแห่งการเข้าถึงประสา ธ, ธรรมความรู้ที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสข้าพเจ้าขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่า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 ซึ่งวิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้ทรงอธิบายไว้อย่างละเอียดและเครื่องมือที่ว่านี้ก็คืออภิญญาต่างๆอภิญญาแปล ว, ว่าความรู้ชั้นสูงหรือความรู้ที่อยู่เหนือธรรมชาติเหนือประสาทสัมผัสอภิญญามีอยู่6กอย่างคือ 1. อิทธิวิธิการแสดงอิทธิปฏิหารต่างๆ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 ก็สามารถที่จะทราบได้เสมือนหนึ่งเรารู้ความรู้สึกนึกคิดในใจของเราด้วยใจของเราเอง 4. ปุ่พเพนิวาสานุสติยานยานที่ทำให้ระลึกชาติได้ซึ่งผู้ที่สำเร็จยานนี้สามารถที่จะรู้ถึงอดีตชาติของตัวเองและถ้าต้องการรู้ถึงอดีตชาติของใครก็สามารถที่จะรู้ได้ด้วย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 อาสวัคยาญาณญาณที่ทำให้กิเลส ต, ต่างๆที่มีในสันดานหมดสิ้นไปผู้ที่สาเร็จญาณ น, นี้ก็คือพระอริยบุคคลทั้งหลายนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ผู้ที่สาเร็จญาณ น, นี้เท่านั้นจึงจะสามารถทราบเรื่องของชีวิตอย่างแจ่มแจ้งเพราะผู้ที่บรรลุถึงญาณ น, นี้จะสามารถรู้ถึงที่สุดของชีวิตคือนิพพาน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 และขึ้นอยู่กับบุญบา ร, รมีที่สะสมอบรมไว้ตั้งแต่ชาติก่อนๆด้วยในบทสวดมนต์ธรรมวัดเช้าซึ่งเป็นบทที่สรรเสริญพระพุทธเจ้ามีข้อความอยู่ตอนหนึ่งว่าโยอิมังโลกังสเทวกังสมารกกังสพรรมกังสัตสะพรา ม, มนิงประชังสเทวมนุสสังสยังอภิญยาสจิกตวาประเวเท e s ละถึง ตมะหังพักวันตังศิรสานมามิแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงกระทำให้แจ้งด้วยพระองค์เองด้วยอภิญญาแล้วจึงทรงประกาศให้โลกนี้รู้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกและพรหมโลกทรงสั่งสอนหมูสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีทั้งสมณะและพราหมเทวดาและมนุษย์ให้รู้แจ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด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 ทังที่ความรู้ที่ว่านี้ทุกคนสามารถจะสแสวงหาได้ถ้าหากได้พยายามฝึกสมาธิไปด้วยพร้อมๆกับการเรียนความรู้จากภายในนี้ <c oughs> ก็จะค่อยๆเกิดขึ้นทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งในที่สุด <c oughs> ก็จะต้องได้สมาธิขั้นสูงเข้าสักวันหนึ่งครั้นแล้วความรู้จากภายในก็จะหลัง่งไหลออกมามากมายอย่าลืมว่าความรู้แบบนี้เป็นสมบัติของคนทุกคน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 ผู้ที่อ่านเหตุการณ์ในความฝันได้อย่างแจ่มแจ้งก็ต่อเมื่อต้องเข้าใจถึงทฤษฎีต่างๆดงที่กล่าวมาแล้วตามหลักในคำพีกล่าวว่าเหตุแห่งความฝันมีอยู่สอย่างคือ 1. นทาตุโขภะความฝันที่เกิดเพระาะธาตุไม่ดีซึ่งหมายความว่าในขณะที่นอนหลับมีสิ่งรบกวนทางประสาทมากเช่นท้องอืดท้องเสียหรือไม่สบายยุโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง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 ความฝันก็จะไม่ค่อยเปปะแต่จะฝันออกมาเป็นเรื่องเป็นราวอันหนึ่งโดยธรรมดาในขณะที่คนเรานอนหลับและฝันนั้นทุกคนย่อมไม่มีสติควบคุมเพราะฉะนั้นความฝันจึงออกมาคลา้คลายกับกระแสน้ำที่ปั่นป่วนซึ่งมันจะออกมาในรูปไหนยากที่จะบอกได้ทั้งนี้ก็เพราะสุดแล้วแต่แรงดันและสิ่งแวดล้อมต่าง ที่จะช่วยให้กระแสน้ำออกมาในรูปไหนคนที่ตายพ้นจะ ก, กายเนื้อไปแล้วไปมีชีวิตเป็นโอปปะติกะโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปชีวิตของโอปปะติกะก็จะคล้ายกับชีวิตในความฝันมากกล่าวคือถ้าลงว่าความคิดในเรื่องไหนตั้งต้นได้แล้วก็มันจะดิ่งไปแต่ในทางนั้นและถ้าหากภายในความคิดอันนั้นไม่มีอะไรที่จะยับยัง้ง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 สันดานของตัวเองไม่ดีอย่างไรและในเมื่อมองเห็นภายที่จะต้องได้รับภายหลังจากตายเราก็ควรจะได้แก้ไขเสียตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่และแน่นอนสำหรับคนที่อ่านความฝันของตัวเองออกก็ยอมจะรู้แน่ว่าเมื่อตัวเองตายแล้วจะไปสวยสุขหรือไปสวยทุกข์สำหรับคนที่รู้จริงๆจะไม่มีใครประมาทหรือชะล่าใจถึงอย่างไร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 เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เรามีการอยู่ดีกินดีมีความสุขมีความเจริญตลอดทั้งให้เราได้มีโอกาสอยู่ในสังคมที่ดีพบ ป, ปะเกี่ยวข้องกับคนที่ดีอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องพยายามแก้ไขที่จิตใจของตนหรือถ้าทุกๆคนเข้าใจเช่นนี้และต่างคนต่างก็พยายามแก้ไขจิตใจของตนให้ดีขึ้น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 หจากความฝันที่เปะปะซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นจิตใจของเราไม่ดีนั้นบางคนก็อาจจะวิจกว่าถ้าหากเรานอนหลับและฝันคราวไรก็มาจะมีแต่เรื่องความฝันที่เปรอะปะเสมอเมื่อเป็นเช่นนี้มีหมายความว่าเมื่อเราตายไปเกิดเป็นโอปปาติกะชีวิตของเราในโลกของโอปะปะติกาก็จะต้องเป็นชีวิตที่เปะปะกมีแต่ความคิดฟุ้งซ่านเอาเรื่องเอาเราวไม่ได้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 ส่วนคนที่กำลังจะตายสภาพของวิญ ญ, ญาณก็เหมือนกับคนที่นอนหลับสนิทแล้วฝันซึ่งส่วนมากสิ่งที่เห็นในขณะนั้นก็คือสภาพที่มีอยู่จริงๆในโลกของโอปปปาติกะและในเมื่อวิญ ญ, ญาณได้จุติจะกลายมนุษย์แล้วก็ยังสามารถรื้อฟื้นความจำได้คือนึกย้อนหลังได้ถึงเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาซึ่งผิดกับเด็กทารกในโลกมนุษย์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 ก็แสดงให้เห็นถึงว่าเพื่อนจิตใจมีสมาธิดีและมีสติสัมปชัญญะดีมากอันหนึ่งบางคนในขณะที่ฝันก็สามารถที่จะใช้ความนึกคิดได้เหมือนกับในขณะที่ตื่นคือมีสติสัมปชัญญะควบคุมได้อย่างดีคิดได้อย่างชัดเจนและบางคนมีปัญหาบางอย่างในเวลาตื่นคิดไม่ออก แต่พอนอนหลับแล้วก็เก็บเอามาคิดในความฝันอีกคิดได้เป็นเรื่องราวมีสติสัมปชัญญะควบคุมและคิดปัญหานั้นออกได้ด้วยถ้าคนไหนเคยฝันแบบนี้ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นข้างในดีมากทีเดียวความฝันที่เกิดจากความนึกคิดของตัวเองคือเป็นความฝันที่เกิดจากประสบการณ์ต่างๆที่เคยผ่านมาเอามาปฏิปต่อเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้น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 ประสบการณ์ที่ปรากฏในความฝันนั้นเป็นเรื่องราวในอดีตชาติอย่างนี้ก็มีแต่สำหรับในประเด็ดนนี้คนส่วนมากมักจะแยกไม่ออกว่าเรื่องราวในความฝันครั้งนี้มาจากเหตุการณ์ในปัจจุบันหรือมาจากในอดีตชาติแต่ก็มีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเป็นความฝันที่เกิดจากเหตุการณ์ในอดีตชาติความฝันประเภทนี้จะมีความประทับใจ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 แล้วฝันเห็นโอปปปาติกะหรือเหตุการณ์ต่างานในโลกของโอปปปาติกะซึ่งเป็นการเห็นจริงๆไม่ใช่นึกเอาเองนั้นการเห็นแบบนี้เป็นการเห็นด้วยตาทิพย์แต่ก็ขอได้โปรดสังเกตให้ดีว่าตาทิพย์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทิพยาจักษุเพราะผู้ที่จะมีทิพยาจักษุซึ่งสามารถที่จะเห็นอะไรได้มากยิ่งกว่าตาเนื้อหลายเท่านั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ฌานขั้นสูง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 ตลอดทั้งสมองก็เป็นทิพ์อย่าลืมว่าที่ว่าเป็นทิพ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงจะมีลักษณะพิเศษเหมือนกับผู้วิเศษทั้งหลายแท้ที่จริงตาทิฟ์หูทิฟ์ที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับนั้นประสิทธทิภาพในการเห็นและการได้ยินก็เหมือนกับตาและหูของมนุษย์เรานั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าคนที่ตายไปแล้ว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 เพราะฉะนั้นโอปปปาติกะโดยทั่วไปซึ่งไปจากคนธรรมดาคือไม่ได้ชาญก็มีความรู้ไม่วิเศษไปกว่ามนุษย์เท่าไรนักแต่สำหรับผู้ที่มีความรู้ในวิชาการต่างๆหรือมีความชำนาญในทางไหนก็ตามความรู้ความสามารถที่เคยมีนั้นยังคงมีอยู่ไม่สูญและอาจจะไปเพิ่มเติมในโลกนั้นได้แต่ก็มีขอบเขตเหมือนกันไม่ใช่หมายความว่า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 ซึ่งกายทิพย์ที่ว่านี้เป็นกายที่มีชีวิตมีอินทรีย์ครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเห็นหรือได้ยินอะไรได้ตรงตามความเป็นจริงเหมือนกับที่คนอื่นเขาเห็นและได้ยินและขอให้สังเกตด้วยว่าในขณะที่เรานอนหลับและฝันไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นเรื่องเลวร้ายไร้สาระหรือจะเป็นเรื่องจริงก็ตามตลอดเวลาที่เรายังหลับและฝันอยู่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 ได้หลุดพ้นจากอวิชชาก็เพราะไม่มีอุปาทานข้อความที่ว่านี้มีอยู่ในเรื่องอนัตตลกนาสูตรขอให้สังเกตว่าคนเกือบทั้งโลกไม่ว่าใครเมื่อรู้เรื่องอะไรแล้วก็มากยึดมั่นไม่ยอมปล่อยวางมักถือเอาเป็นจริงเป็นจังจนเกินไปจนกระทั่งในบางครั้งก็ปฏิเสธความจริงในด้านอื่นในเมื่อมาขัดแย้งกับความจริงที่ตนเองพิสูจน์ได้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 ข้าพเจ้าคิดว่าคนทั้งหลายที่ไม่เข้าใจเรื่องโอปปปาติกะไม่เข้าใจเรื่องวิญญาณในพุทธศาสนาไม่เข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาจากวิญญาณ <c oughs> ก็เพราะเมื่อตอนเองเรียนรู้มาอย่างไร <c oughs> ก็ยึดมั่นแต่ในแง่ของตัวจนกระทั่งทำให้เกิดความมืดมองไม่เห็นความจริงในด้านอื่น <c oughs> ขอให้นึกถึงพุทธพจน์อีกครั้งหนึ่งคือจิตของพระปัญจวคีได้หลุดพ้นจากอวิชชา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 คือความรู้ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนั้นต้องเป็นความรู้ที่อยู่นอกเหนือประสาทสัมผัสความฝันประเภทที่สี่ปุปพานิมิตความฝันที่เกิดจากวิบากของตนบรรดาได้เห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้า ความฝันประเภทนี้จะออกมาในรูปของสั ญ, ญลักษณ์หรือออกมาเป็นนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งจะต้องแปลความหมายเช่นตัวอย่างจากพระไตรปิฎกในเรื่องพระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดาทรงสุบินเห็นช้างเผือกขาวพองเข้ามาในห้องบรรทมซึ่งต่อมาก็ปรากฏว่าพระนางทรงตั้งคันอย่างนี้เป็นต้นความฝันในลักษณะ น, นี้เหมือนกับความฝันข้อที่สาม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 ความฝันในจนํานวนร้อยเรื่องหรือพันเรื่องจะมีเรื่องจริงสักเรื่องหนึ่งก็ทั้งยากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ชำนาญในการสังเกตความฝันจริงๆแล้วก็ขออย่าได้ด่วนตัดสินง่ายว่าความฝันเรื่องนี้หมายความอย่างนั้นหรือความฝันเรื่องนั้นหมายความอย่างนี้และยิ่งกว่านั้นความฝันบางอย่างถึงแม้จะเคยแม่นก็ไม่ใช่จะจริงเสมอไปเช่นบางคนฝันว่าฟันหลุดออกจากปากทั้งหมด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 อาชนะอิทธิพลของความนึกคิดได้หมดทุกอย่างความรู้แจ้งจากภายในใจซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่เหนือประสาทสัมผัสก็จะเริ่มเกิดขึ้นและจะมากขึ้นโดยลําดับถ้าหากใจของเราเป็นอิสระมากขึ้นโดยธรรมดาปู้ทุชนจะต้องมีตัณหาเกิดขึ้นเสมอทุกขณะโดยเฉพาะคือการมตตัณหา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 คนคนนั้นก็ย่อมจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้การที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากระดูกสิคโครงของเจ้าทั้งหมดเราก็หักหมดแล้ว ศ, ศีรษะของเจ้าเราก็ตัดออกแล้วอันนี้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อจะชี้ให้เห็นว่าตันหาซึ่งเปรียบเหมือนนายช่างผู้สร้างเรือนนั้นแบบนี้ได้ถึงแก่ความตายแล้วเพราะฉะนั้นตันหาจะสร้างเรือน คืออัตภาพขึ้นมาอีกไม่ได้คําว่ากระดูกสิโครงที่พระองค์ตรัสถึงนี้หมายถึงกิเลสอย่างอื่นซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลทําให้เกิดตัณหาเช่อนอุปาทานเป็นต้นส่วนคําว่าศีรษะหมายถึงอวิชชาโดยธรรมดาตัณหาจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีอวิชชาและมีอุปาทานเป็นปัจจัย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 จุดหมายของชีวิตที่แท้จริงและถูกต้องซึ่งเป็นจุดหมายของชีวิตทั้งมวลก็คือความพ้นทุกข์หรือการหมดปัญหาในสิ่งทั้งปวงซึ่งหมายความว่าไม่มีปัญหาอะไรที่เหลือให้สงสัยหรือว่าตอบไม่ได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรู้แจ้งหมดแล้วตามความเป็นจริงและการที่คนเราจะบรรลุ ถ, ถึงจุดหมายอันนี้ได้ก็ต่อเมื่อเอาชนะตันหาได้โดยเด็ดขาดตันหาในสันดานไม่มีเหลืออยู่เลย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 ของความเจริญในด้านวัตถุแต่ถ้าหากคนทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงเรื่องวิบากต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเขาก็คงจะต้องพยายามขวนขวายสร้างจิต ใ, ใจของเขาให้เจริญทั้งในด้านความรู้และภูมิธรรมต่างๆแต่อย่างไรก็ดีความเจริญในด้านจิตใจย่อมขึ้นอยู่กับความเจริญในด้านวัตถุด้วยตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายเช่นคนที่จะมีจิตใจสบาย สามารถที่จะฝึกสมาธิจเจริญวิปัสนาได้สร้างความดีต่างๆได้ก็ต่อเมื่อร่างกายต้องแข็งแรงมีอนามัยดีและความเป็นอยู่สะดวกสบายมีสียรภาพในการครองชีพเพราะฉะนั้นความจเจริญในด้านวัตถุจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความก้าวหน้าในทางจิตใจแต่ถึงจะสำคัญอย่างไรความจเจริญของวัตถุหลักส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับความจเจริญในด้านจิตใจ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 เพราะถ้าไม่พิจารณาให้มากก็จะมองไม่เห็นความจริงแต่อย่างไรก็ดีความจริงในเรื่องนี้จะมองเห็นได้ง่ายก็เฉพาะบุคคลที่มีนิสัยเสยสระส่วนคนที่มีนิสัยเห็นแก่ตัวยากที่จะมองเห็นความจริงในเรื่องนี้หมาเหตุผู้อ่านสำหรับคาว่าทําทานมาโดยมากนั้น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 จะมีความสุขได้ยากและหลังตายจากชาตินี้โอกาสที่จะไปสู่สุคติได้จริงก็ยากถึงยากที่สุดหรือแทบไม่มีโอกาสเลยอันหนึง่งถึงแม้จะมีหลักอยู่ว่าชีวิตในปัจจุบันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการกระทำในอดีตชาติและการกระทาในปัจจุบัน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 ก็คือจิตที่เป็นวิบากลุนล้วนผวังขจิตเป็นผลที่เกิดจากการกระทาต่างๆผวังขจิตเปรียบเหมือนมเมล็ดผลไม้ถ้ามเมล็ดยังอยู่ก็หมายถึงต้นยังอยู่หรือหมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วจะต้องมีอีกเป็นอีกคนเราเมื่อตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้น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 ผ่านความฝันเผยแพร่ต่อได้ทุกช่องทางไม่ต้องขออนุญาตแต่เพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นนะครับขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาผู้ร่วมจัดทำอีกดังต่อไปนี้ครอบครัวโลติวิกุลครอบครัวภูมิประสบปัญญาโกจันพลพร อ, อภิวัฒนาเสวีกิติพรตรีสุภาการรัตนนพุ่มพวงมุทิตาจินากรจันทนาสระสือกุล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 Facebook Fan Page โจโชเสียงธรรมโจโชว์ .net นะครับ